พระไตรปิฎกเล่มที่ส2องวามนิกสูตรปริศนาธรรมเรื่องจอมปลวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสปักพักอยู่ที่ป่าอันทวันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งมีวันณงดงามยิ่งนัก ได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้าไปหาท่านพระอุมาลกัสปักกล่าวว่าพระกุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ่นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธาเธอจงนำสตราไปขุดดูสุมเมธะใช้สตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่า ลิ่มสลักขอรับรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมทะเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้สัตตราขุดต่อไปสุเมทะใช้สัตตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมทะเธอจงนำอึ่งขึ้นมาแล้วใช้สัตตราขุดต่อไปสุเมทะใช้สัตตราขุดต่อไป ได้เห็นทางสองแพร่งจึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพรามณ์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธาเธอจงถาดทางสองแพร่งออกเสียเราใช้สัตราขุดต่อไปสุเมธาใช้สัตราขุดต่อไปได้เห็นหม้อกรองน้ําด่างพราหมณ์ก็บอกให้ยกหม้อกรองน้ําด่างขึ้นมาแล้วใช้สตราขุดต่อไป สุเมธาใช้สตรากุดต่อไปได้เห็นเต่าพราหมณ์บอกว่าเธอจงนำเต่าขึ้นมาแล้วใช้สตรากุดต่อไปสุเมธะขุดต่อไปเห็นเขียงหั่นเนื้อพราหมณ์บอกให้ยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สตราขุดต่อไปสุเมธะใช้สตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อพราหมณ์บอกว่าสุมเมธะ เธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วขุดต่อไปสุมเมธาขุดต่อไปได้เห็นนาครามกล่าวอย่างนี้ว่านาจจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคพระกุณเจ้าท่านกวนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้งสิบห้าข้อนี้ท่านกวนทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้น รามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้ายัางไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้เลยเทวดานั้นได้กล่าวคานี้ แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นพระกุมารกษัสปะทูลถามปริศนาธรรมครั้งคืนนั้นผ่านไปทันนรากุมารักษัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบทูลถามถึงเรื่องสิ่งต่างๆในปริศนาธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรมดังนี้ว่า คำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสีมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกุ่งมาสไม่เที่ยงต้องบริหารต้องนวดฟันจะต้องแตกสลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาการพ่น <pitch. S 1> ค, ควันในเวลากลางคืนนั้น ได้แก่การที่บุคคลทำการงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลากลางคืนการลุกโพลงในเวลากลางวันนั้นได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงบ่อยในเวลากลางคืนและประกอบการงานในเวลากลางวันด้วยกายและวาจาคำว่าพรามนั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่าสุเมทะนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้เป็นเสกขะคำว่าสัตรานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาอันประเสริฐคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารบความเพียรคำว่าลิมสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมทะเธอจงใช้สัตรายกลิมสลักขึ้น คือจงละอวิชาจงขุดขึ้นมาคำว่าอึองนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมทะเธอจงใช้สตรานาอึงขึ้นมาคือจงละความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธจงขุดขึ้นมาคำว่าทางสองแรงนั้น เป็นชื่อแห่งวิจิกิจชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุมเมธะเธอจงใช้สตราถากทางสองแพร่งคือจงละวิจิกิจชาจงขุดขึ้นมาคำว่าหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อแห่งนิวรห้าประการคือการมชันทนิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกามพยาบาทนิวรสิ่งที่กั้นจิต คือความขัดเคืองใจทีนามิทะนิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทธจกุกอุจจะนิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉานิวรสิ่งที่กั้นจิตคือความลังเลสงสัยคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมทะ เธอจงใช้สัตรายกม่อกรองน้ำด่างขึ้นมาคือจงละนิวรห้าประการจงขุดขึ้นมาคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อแห่งอุปทานขันห้าประการคือรูปอูปาทานขันอุปทานขันคือรูปเวทนูปาทานขันอุปทานขันคือเวทนาสัญญูปาทานขันอุปทานขันคือสัญญา สังขารูปาานขันอุปาานขันคือสังขารวิญญาณูปาานขันอุปาานขันคือวิญญาณคำนั้นมีอธิบายว่าสุมเมธะเธอจงใช้สตรานำเต่าขึ้นมาคือจงละอุปาานขันห้าประการจงขุดขึ้นมาคำว่าเขียงหันเนื้อนั้นเป็นชื่อแห่งกรรมกุลห้าประการ คือรูปที่จะพึงรู้เห็นทางตาเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นผลทัพะ ท, ที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมทะ เธอจงใช้สตรายกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาคือจงละกรรมคุณห้าประการจงขุดขึ้นมาคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อแห่งนั้นที่ราคะความกำนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำนั้นมีอธิบายว่าสุมเมธาเธอจงใช้สตราหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาคือจงละนั้นที่ราคะจงขุดขึ้นมา คำว่านาคนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้เป็นขีณาศพคำนั้นมีอธิบายว่านาจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยเธอจงทำความนอบน้อมนาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วท่านพระกุมารักัสปักมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบ วามิกกสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง